ต่อจากม่วนที่ห้าตามลำดับโปรดตั้งใจฟังต่อไปม่วนที่หกนี้พอย้อนกล่าวสมัยที่อยู่ท่ำจันเพื่อให้ประวัตินี้บริบูรณ์ตามเป็นจริงคือว่าสมัยที่อยู่ท่ำจันร่วมกับหลวงปู่บัวนั้นได้สนทนาธรรมเพื่อเป็นการเรียบเปลี่ยนความรู้ ซึ่งกันละกันและท่านหลวงปู่ท่านก็นําไปพิจารณาจากนั้นใกล้เข้าพรรษาท่านหลวงปู่กักบสานักเดิมคือวัดบ้านน้องแสงนั่นเองและภายหลังท่านได้พิจารณาตามธรรมชาติสงาสนทนาซึ่งกันละกันท่านว่าท่านในกําลังมากที่สุดและตามข่าวที่พระ ลูกศิษย์ของท่านมาเล่าให้ฟังว่าสมัยที่อยู่ทําจัน์นั้นนิรักถ้าไม่ได้ท่านจวนอยู่ร่วมด้วยก็เสียเลยดังนั้นแลบก็ชมชอยในธรรมศาสตร์ซึ่งกันและกันท่านว่าท่านหายสงสัยในธรรมของพระพุทธเจ้านี่ลูกศิษย์ท่านในเล่าให้ฟังพ้าพุทเจ้าก็ ร้อยปานโมทนาสาธุการยินดีกับท่านด้วยแต่ข้าพเจ้าก็ไม่มีคุณธรรมอะไรไม่มีภูมิธรรมอะไรข้าพเจ้าก็เป็นพระทุกชนคนมีกิเลสนะปัญญาหยาบธรรมดาธรรมดานิยนชาตินินชนของคนเรานี่เองแต่หากได้จำคำสอนของธุบาอาจารย์ ที่ได้ศึกษาแต่สะดับจับฝัางบาปตามลำรับตำราและตามครูบาอาจารย์เท่านั้นมาสนทนากับท่านหลวงปู่ไม่ใช่สมบัติของข้าพเจ้าเลยเมื่อจำมรรตาอยู่ทัําจันได้สี่พัรษาแล้วพวกประชาชนก็พากันแตกตื่นเข้าไปตั้งบ้านเพราะที่ทัําจันเป็นที่ทําเลธรรมาภาิญฺ สะดวกดีเมื่อบ้านได้ตั้งเป็นปึกันแน่นหนาแล้วข้าพเจ้าเห็นว่ามันจะคุกครีเกลยโยกย้ายออกจากข้ำจันมาวิเวกที่ภูสิงส่วนเหตุการณ์ต่างๆที่เล่ามานั้นมีแปลกๆเช่นเขาใส่ร้ายปายสีว่าเป็นคอมมเนด์หรือเป็นหัวหน้าคอมมเนด์ตัน หรือเป็นว่าหน้าขอกันร่ายนั้นมีอยู่ในธรรมจันทร์เกิดขึ้นที่ธรรมจันทร์เมื่อข้าพเจ้าได้มาถึงครูสิงห์แล้วก็ให้ยมพาตรวจดูสถานที่แห่งหนึ่งเห็นว่าสถานที่นั้นเป็นที่พอที่จะลบลีกตัวชุกช่อนเี้อยู่ได้เพราะไม่น้ำซับอยู่ที่นั้น มีแอกน้ำเป็นน้ำชับธรรมศาสตร์ไม่ขาดตลอดฤดูจึงตกลมได้เวกอยู่ที่ภูสิงไปอยู่ที่แรกอาศัยตามร่มไม้นอนตามร่มไม้และคุณหมอประผักโสระตะินดาสมัยนั้นมาประจำอยู่ที่อาณามัม่บึงการ ติดตามไปด้วยไปนอนอยู่ร่มไม้ด้วยกันและในภูสิงนี้วิเวกส ง, งบส ง, งัดดีทําคุณเพียรดีมากอ่าในฤดูภันตามีพระสององค์เน้นหนึ่งและพระขาวเท่าคนหนึ่งพระคือตัวข้าพเจ้าและท่านพระอาจารย์สอนส่วนพระขาวเท่านั้น เวลานี้เขาก็มรณภาพไปแล้วในผู้สิงพากันประบบความภาพผมเงียนโดยเต็มความสามารถของนตนของตนและอยู่ในระหว่างกลางกันนา น, นมีแปลกๆในผู้สิงนั้นคือวันหนึ่งได้พากานเดินถึงกลมเวลาวก็คำาทรเกรนเหม็นกินนี่ผิดปกติเหม็นผง เดินจงกมกลับไปกลับมาก็ถูกกลิ่นอันเหม็นอยู่เลยทักวิตกทักถามจิตขึ้นว่ากินอะไรแล้วจิตหนึ่งผูดขึ้นว่านี่เขาเรียกว่ากินเปรตแล้วก็แผ่อุทิตกุณฑุสุนไปให้เขาจากนั้นก็หายท่านหายแล้วท่านพระอาจารย์สอนท่านก็ได้กินเช่นเดียวกันพอตอนเช้าได้มาเล่า ให้กันกลมแล้วท่านตาผมก็ได้กิ่นเช่นเดียวกันเหม้นเหมือนกันทีนี่ระยะตอนกลางคืนแปลกในมิตฝันเห็นผู้หญิงสองคนคือพี่กับน้องนั่งอยู่ที่หน้าผาภูติงปาฏล่าข้าเจ้าได้มองเห็นชัดก็เลยเข้าไปถามเขาว่า พวกเธอมาอยู่นี่ทำไมเขาว่าพวกเขานั่นเป็นเปรดมาอยู่นี่มีแต่ผ้านุ่งเบื้องล่างตัวนเบื้องบนไม่มีผ้าปิดกายเลยไวยกายไว้เป็นผู้หญิงทั้งสองคนข้าพระเจ้าเลยย้อนถามเขาอีกว่าเป็นเปรตเพราะเหตุไรเป็นเปรตเพราะว่า เมื่อสมัยเป็นมนุษย์พวกข้าพเจ้าที่น้องทั้งสองนี้พากันเอามอนเอาไหมามาต้มแล้วก็สาวเอาไหมไปทำผ้าด้วยบุพกรรมอันนั้นจึงให้มาเป็นเป็ดข้าพเจ้าเลยย้อนถามว่าชื่ออะไรแต่ก่อนที่เป็นมนุษย์เขาก็ตอบว่า ข้าพระเจ้าผู้พี่ชื่อว่านางสาวธาผู้น้องชื่อว่าแมางสาวสีแล้วพอจะนั่นก็เลยตื่นจากนิมิต ร, รูปนั้นก็เลยหายไปข้าเจ้ามาพิจารณาว่าโอ้การทำลายสัตว์นี่มันเป็นบาปจริงนั่นแหละในขณะที่อยู่ จำภาษาผู้หิงนั้นมีแปลกแบบบางครั้งบางวันผ้าขาวที่อยู่ด้วยแกมาเล่าให้ฟังว่าเวลากลางคืนผมเดินจงกลมเห็นเป็นเงาคนไม่มีหัวมีแต่คอเหมือนคนคอขาดเดินเทียมผมไปก็มีบางครั้งมาตบฝาผุติใส่ผมก็มีผมได้ตื่นขึ้น มองดูไม่เห็นถ้าไปเดินจมกลมก็เป็นเงาตะคุกตะคุกเดินเทียมไปด้วยนี่ภาขาวเท่าเล่าให้ฟังจะเป็นจริงหรือไม่แกก็เล่าไปตามความเห็นของแกนั่นเองจากนั้น <c oughs> เมื่อจำป่าผู้สิงเสร็จแล้วออกภนตาท่านอาจารย์สอนท่านก็ไปหาเวก ส่วนข้าพเจ้ากับเน้นหนึ่งบวกญาติจมบานดอนเสียดหู ว, วัวนิมนต์ให้ไปอยู่ทําบูชาข้าพเจ้าก็เลยไปกับเน้นไปทั้งหมดดูสาถานที่บวชไปดูที่ทําพระที่หลวงปู่ฝันอนาระโยู่านในส้างพระไปเห็นว่าเป็นที่ยังไม่เหมาะ มแล้วข้าพเจ้าจึงเดินทางมาตรวจ ด, ดูที่ ร, รมบูชาเห็นว่าทรรมบูชาเหมาะดีกว่าทรรมพระจึงได้ตกลงใจตักทิเวกอยู่ที่นั้นที่แรกไปอยู่ยากที่จะบินตบบาทถึงเพ ร, ราะทมบูชากับหมู่บ้านดอนเจียห่างกันประมาณเจดกิโลและพอไม่มีหนทาง เดินอีกด้วยต้องบุก ป, ป่าพาลงดอนไปตามทางสัตว์นั่นเองกว่าจะถึงหมู่บ้านต้องจินเวลาสองชั่วโมงหรือสามชั่วโมงดังนั้นเมื่อข้าพระเจ้าไปอยู่ที่แรกครั้งแรกกับเนนหนึ่งบินทบาทไม่ได้พวกชาวบ้านเขาต้องส่งรเรียงอาหารเอเขาําเรียงกัน ลงเจ็บวันต่อค้ั้งหนงแล้วก็ให้เนนหูงต้มเอาผักปานั่นแหละเป็นอาหารมีพริกมีปลาพุกขเข้ากันแล้วก็หาเจ็บผักหนำเก็บยอดขาหรือยอดไหวมาต้มมาแกงฉันก๋วยเยียวยจะจะบผักทีวิต ไปครัววันนังน่งที่นี่ต่อมาเมื่อญาติโยมเขาเส็จจิตในการงานเขาคือเจ็บเกี่ยวเจ็บข้าวเสร็จแล้วก็เลยหายญาติโยมตัดทางจากบ้านดอนเสียขึ้นตัวตำบูชาให้รถและเวียนเดินได้สะดวกถ้าคันบุกเบิกทางอยู่จิต รออยู่สามเดือนจึงสำเร็จลดขึ้นได้จนเป็นทางเดินได้สะดวกตลอดปัจจุบันเดี๋ยวนี้สมัยไปอยู่ภูวนีก็ถูกไปเจ้าหน้าที่สอดแนมอยู่บ่อยๆเขายังไม่ไว้ใจสนิทและข้าพระเจ้าจกลงก็จพาพระตา ที่ทำบูชาผัวสามัญษาที่แรกทำบูชาผัวนี้มีพระอยู่อ้าองค์แลมเณีนหนึ่งองค์เท่านั้นและผูวสิงค์ก็มีพระอยู่องคหนึ่งในพรรษาที่สามผัวสิงค์สั่นพระอาจารย์เจงไปอยู่ข้าพระเจ้าไปอยู่ที่ ทมบูชาเป็นปส 2,506 นี่แหละมาอยู่ผู้สิงปส 2,505 แลกโยกย้ายไปผัวทำบูชาปส 2,506 ในระหว่างปส 2,507 มีเหตุพะเออนขึ้นอีกในผู้สิงนี่ถ้าไม่เราประวัติจะไม่สมบูรณ์ จึงขอเล่าเรื่องเหตุบังเอิญในภูติให้ฟังเอินในพศ2507 508ต่อกันแล้วก็ท่านพระอาจา ร, รย์เพ่งเตชะประรเวลานี้ท่านก็มรณภาพแล้วท่านอยู่ที่นั้นในฤดูแรกะหว่งองันพศ2108ท่านว่าจะอยู่จำพรรษา ที่ผู้สิงท่านอยู่นั่นทีนี่ในสมัยนั้นที่ผู้สิงใหญ่เอาเล่าคือว่ามีพวกก่อการร้ายมาส่องสมุนอยู่ที่ผู้สิงใหญ่ทีนี่ผู้สิงน้อยกับผู้สิงใหญ่ติดกันไปเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเขาเลยกลัวว่าพระจะเป็นอันตรายเขาเลยนิบ่นให้พะระรองจาก โอ๋สิน้อยไปจำพรษาที่จำเป็นขันพระอาจารย์เจงเกริรุ่งไ ป, ไปจำพรรษารวมขราภิกษัตริยธรรมุทากเมื่อพระอาจารย์เจงลงไปไม่กี่วันประมาณสี่ห้าวันพวกเจ้าหน้าที่ไปบ้านเมืองของเรานีเองขึ้นไปสํารวจที่สํานักสงดูจำพรษามาลแล้วสองทีเห็นว่า ที่กุติพระคือสะท้อนพระจะเป็นที่อาศัยของพวกข่อกนไร้ายก็ลงพวกเจ้าหน้าที่ฟ่ายบ้านเมืองของเราเนี่ยพวกราชเวรสมัยนั้นก็เลยเอาไปจุดกุติพระหมดทุกหลมแม่องน้ำกดทุกข์ทิ้งแม่เครื่องคือผลที่ปลูกไว้ในวัดเช่นมะม่วงลำไย และมะนาวมะพร้าวสลอดถึงกล้วยและต้นละกอหลายพิกเรานี้แหละเขาทำลายหมดตัดทิ้งหมดแม้แต่น้ำบอ่อเขาก็ถมและทำลายอีกด้วยส่วนกุฏิพระที่อาศัยเขาเขา่เขากันหมดทำลายกันหมดไม่มีแล้วหรอแม่บริหารของสันยังไม่ไเจ็บเอา เช่น้าไตวอนและหนังสือตลอดถึงคุตตะลูกขถูกไปเผาในสมัยนั้นแล้วก็ทราบข่าวจากชาวบ้านว่าพวกทหารฝายบ้านเรานี่เองมาเผาดังนั้นแล้วก็เรื่องนี้ท้าพระเจ้าก็ไม่เอาเรื่องอะไรปลอยให้เป็นไปตามหนา้าจริงของเขาแล้วกแล้วกันเท่านั้นเพราะบาป แก่ผู้ทำกรรมแก่ผู้ขออป็้ตังหากเราไม่มีเรื่องยาประกอบความเดือดร้อนและปุ่นไว้ให้แกยย่ใครเมื่อจำศาที่ธูวาเริ่มแต่สองพันห้าร้อยหกห้าร้อยอันศักะห้าร้อยแปดห้าร้อยาักจะมีอันตรายเป้นแต่แล้ว เธอพัรษาห้าร้อยเก้านี่เองปีที่น้ําท่วมแม่น้ําผม้นมาตนี่เองปีนั้นวังมันไปยนตระเบิดที่ทํารูชาหกรูกระเบิดทําลายอาภิเจ้าวัดโดยลมเม็ดยี่สิบวัดโดยยาวเม็ดยี่สิบในรูปกระเบิดทำร้ายนั้น ทิ้งไม่ห่างจากถ้ำปูชาและไม่ห่างจากลงฉันในคืนวันนั้นฟ้าฝนตกและว้าปกขนองือลมเขาทิ้งลงแตกแต่ลูกหนึ่งแ็นลูกก็เบิดไปตอนลูกก็เบิดห้าลูกทำรายนั้นไม่แตกแต่ลูกและก็ไม่มีใครได้ยินเสียงในขณะนั้นรู้ว่าเขาซึ้ง กกบอยู่มาสามวันติดกันนั่นแหละโยมขึ้นไปจังหันแล้ฤดูนั้นเป็นฤดูที่ฝนกำลังจะเริ่มตกจะเป็นเดือนมิถุนายนเอเบียนเจ็โยมเขาไปหาเจ็บเหตุก็เลยไปเห็นลูกกระเบิด เมื่อยอมเห็นลูกระเบิดเขาจึงมาแจ้งให้ปราตา้าก็ไ ด, ด้ผิดหวดดูเพราะว่าเป็นระเบิดทำลายเมีอยู่ห้าลูกเขาจะมาวางมาปลดเพื่อสิ่งใดไม่ทราบ <c oughs> แล้วข้าพเจ้าก็ให้ผู้ใหญ่บ้านเขารายงานไปทางอำเภอทางอาเภ อ, อ, อก็รายงานไปถึงจังหวัดและ รายงานผุดถึงกรมทหารศิวุดอให้พรังเขามาทำลายพรังเขามานอนทำลายสูกระเบิดทั้งห้าหรูกนั้นนอนสองคืนที่สัมบูชาเขาเอาคอปเตอร์ไปรุมที่พระรามเห็นหลังสามบูชานั่นเองต่อจากนั้นมาพศสองพันห้าพอยพระเจ้าก็เลได้รับรายงาน จากเจ้าพระจังหวัดลำไายว่าให้พระทีรบุษาภูวัวโยกย้ายนี้จากภูวัวเพราะเวลานี้ทางบ้านเมืองเกิดความทุกขเ์เสริญว่าจะเป็นอันตรายแก่พระเจ้าประสงค์นั้นจึงขออนุให้ปกทิใ น, นจากภรมุทายายู่ ให้ลงไปจำพรรษาที่แหลมลึและก็ลงนามเจ้าคณะจังหวัดน้องขายสมัยนั้นป็นทันเจ้าคุณเกศบัณเดชข้าพรเจ้าก็เลยพร้อมองคขนและไม่ชีของจะจำพรรษาในเดือนกรกดาคมต้นเดือนกรกดาคมใกล้จะเข้าัรรษา อาคันบุกน้ำบุกตม้มบุคคลไปเลยแล้วขา้าพเจ้าก็ไปจําภาษาที่คทำฟองเต็นร่วมกับหวงสุเกาวในปศสองสพันห้าร้อยเมื่อจําภาษาคําำ้องเต็นก็ได้ฟังเกิดปัญธรรมผลนาประเสริฐและวงสู่กาวคณะรโยน ที่วัสทับของเจเมื่อออกพรรษากทอทาบุญในระหว่างกาางพรรษากอทาบุญร้องอายุของหลวงปู่เมื่อออกพรรษาเสร็จจิตการงานาทางทํามขอเจนแล้วข้าพระเจ้าก็นำมัสการลาหวงปู่กลับไปทีเมกที่ตูววอย ได้เดินทางมาพักวิเวกที่ภูบัวตั่วข้าวบำนเดือนเดือนต่อจากนั้นก็เดินทางมาพักวิเวกที่สุทโธมาอยู่คั้งแรกไม่อาปุจเจ้าและพระภูริหธรรมวัดน์ไม่โปรดรักษาเมติกุศลธรมบังการและมีภาคขาว น้อยคนหนึ่งอยู่ร่วมด้วยม้อยู่ขั้งแรกอาศัยธรรมจิตเก่าที่เป็นลงฉันต่อกับลงตัวหยู่สมัยนี้ม้อยู่ขั้งแรกเป็นป่าทึบรกชัดไม่เัตัดป่านานๆาาสนิดมีทางมีเสือมีงูมีงใูใหญ่เลื่อยไปมาอยู่ ตามทานั่นอากาศทึกและมาอยู่ข้างแรกก็ชักจะอดน้ำอาใส่น้ำผลที่ยังค้างอยู่ตามอ่างหินเมื่อหมดน้ำอยู่ในอ่างหินก็พากันปับไายกระบอกไม้ไผ่ไปเอาน้ำที่ถูกนาเขา ไกลประมาณสองสมกิโลต่วนอาหารการกดฉันสมัยนั้นอาศัยบ้านนาํำแทนซึ่งอพยพไปอยู่ใหม่ประมาณสักติดกว่ารังคาเรือนอาหารการกดฉันก็อยู่ในลักษณะที่ว่าขาดแคลนมากตา ม, มีสามได้พอเยียวยาอัตส ภ, ภาพชีวิต ไปชั่ววันหนึ่ ง, น, งนั้นและมาอยู่ที่ถ้ำตินเขาปูทอ่อในอยพศ2 5อ2เมื่ อ, อย่างเขา้าฤดูแล้งข้าพระเจ้าก็ให้ญาติจมผาถางที่ตึกให้เตียนกอได้มีอยากาศเข้าไปและก็ให้ญาติจมเขาปิดทานกน้ำไว้หนึ่งแห่ง ในทีแรกเพื่อเก็บซ้ำไว้และพระยาเชวงเขาก็พร้อมเตรียงกันเอ้ทีแรกอันในที ด, ดูแรกในที่ดูแรกเอ้ทีแรกมันได้พุกกระต๊บทั่วข้าวออได้อาศัยจำระษาสื่อหลมาจำจำจำจำคำาสพท์ทีคุ้ชอบ ไปพอตสอจบนัง่ง อ, อยชิสองนั่นไม่อยู่สามอง์แล้วก็หันเข่างอหลันคนอากันจำตัที่นั้นท ำ, ำกำพากเดือนเวล า, า, าวก็ทำภาพเจ้ากระเพื่นขึ้นบนเขาเอาผ้ามัดแล้วแล้วกระพืนขึ้นตามเพื่อเขาเอาวันตามรากไม้ เดินไปนอนอยู่ชั้นที่ห้าขัที่หานพระเดี๋ยวนี้แต่ก่อนใป่าคืบมากแล้ว <Hey. S 1> เป็นข่ําที่ตัดดูอาศัยคือเรียงขาดูอาศัยและในระหว่างกลางภรษาเลยได้พยายมทำบันไดเึ่นชั้นที่ห้าชั้นที่ห ก, นหกจนสำเร็จ ทำทำบันไดขึ้นเขาทำประมาณสองเดือนสักสิบวันเป็นสเร็จเมื่อทําบันไดเสร็จในศึษาสองพันห้าร้อยสิบสองนั้นที่นี่เมื่อถึงรุ่แรงในกอข้อสองพันห้าร้อยสามนัมนเดใดติดธนบนตสองนบเพิ่มขึ้นอีกเดนามและในพันษา 2,500 ตามนั้นมีสัทธาทางประเทศราคือนายบุญชีที่อยู่นครเมืองจันทร์ประเทศรามีสัทธาสร้างพระประธานไว้ที่ทำานานพระทันหา้าชิ้นเงินประมาณหนึ่งมืนบาทและก็มีสัทธาต่างๆ ต, งตยอยกันมา สร้างโรงสังและตลาดทันทีห่าพอเป็นที่ได้อาศัยผลสวนสรางนั้นพอได้อาศัยสันจังหันที่ตลาดข้างล่างแล้วต่อมาจึงมีสธาจากที่ต่างๆเพิ่มขึ้นเจนที่บึงการ น้องกายดอนพระนครและนครพนมคอนแก่นราชมาตลอดถึงกรุงเทพประมาณนครและคนตราดตะตาหนึ่งจึงได้ขยายสาราเรงขันข้างล่างให้กว้างออกไปและได้ขยายสาราตั้นที่ห้าให้กว้างวางออกไปและอยู่มา ในยูมาการลาดับนักมากพันนักแต่พันศาสองพห้าอยสองได้ทาบันไดพันศาสองพันห้ารอยสิบสาได้ทำะตะปานรอบเก่าพันที่ิห้าส่วนพันศาที่สิบที่1ิบห้าคือพันศาสองพันหารอยสิบสห้ารยิบห้าไม่ได้ทำะตะปาน ติดทำลบน้นําอีกเพิ่มเพิ่มอีกพศ2516ได้รื้อสะพานท่านที่ห่าเพราะแต่ก่อนสะพานชั้นที่ห่านี้ทําไม่เสมอกันไม่ต่าไม่สูงกว่ากันแล้วก็รื้ยกขึ้นใหม่ให้สม่ำเสมอกันารขยายออกให้กว้างกว่าเดิมทําให้แน่นหนาะกว่าเดิม เพิ่มไม้เขายีกเป็นสามส่วนทำอยู่สามเดือนจึงสำเร็จต่อเมของเก่าและงกประมาณ 3, าที่เงินสามมืนบาทพรรษาสองันห้าร้อยสิบเจ็ดมีพัฒจำพรษาห้าแนนห้าและก็ได้พาโมคณะ ทำการชั้นทีาทาน 46, ท่หกทำอยู่สามเดือนจึงสำเร็จสิ้นเงินประมาณสามหมืนห้าันบาทพอพรรษาพอต้องพันห้าร้อยสิบแปดได้ทำบันไดต่อจากลงสันข้างล่างถึงชั้นสี่สำเร็จ ทำอู่สองเดือนกับสิบห้าวันสิ้นเงินประมาณสามหมนห้าพันบาทและประพานทัานที่สีนี้ทําอสกับพันหร้อยแปดแต่ไม่ได้ออกเขาทําไปพึ้นเขานีนทางคิดตะวันตกส่วนสะพานทัานที่สทางคิดตะวันออกได้จ้างชาวบ้านเขาทํา ชิ้นเงินประมาณ 20,000 บาททำดูองเดือนเต็มสำเร็จต่อขึ้นจาก15ดังที่ปรากฏในเดือนนี้พศ2519ได้ปิดคำนับซึ่งเป็นเกจบจาแกแตเตอร์เขาปิดชิ้นเงิน 16,000 บาท แมะ <c oughs> เมื่อมาอยู่ครั้งแรกที่ท่านปินเขานั้นริ้วรแรงได้พาญาติยมตัดทางจากภูทอกไปถึงบ้านดอนเสียรดรถเดินได้สบายเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นเส้นทางอยู่ในตัดทางรัฐต่อไนั้นญาติยม เขาทราบ้างไม่พระมาอยู่ที่สุทโธต์ญาติโยมจินต่างๆเขากอดต่ยอยกันมาต่างบ้านจนเป็นฝึกกันแน่น น, ะเน า, าเรียนื่องสองร้อยกว่ารังขาเรือนแล้วมาอยู่เพื่อ แ, แล้วกันหายญาติโมาวัดเพื่อรับลายอากาศให้ปอดรง บ้านนาคำแกนนี่มาตั้งก่อนวัดสองตีวัดมาตั้งทางบ้านนาคำแกนมาตั้งปสสองพันห้ารอยวัดมาตั้งปสสองพันห้าร้อยสิบสองคนที่เข้ามาอยู่น้ยมากเป็นคนจังหวัดตาฬสินก็ไม่คนแกนก็ไม่ร้อยเอกก็ไม่ วบนราช ธ, ธานีก็ม่มีดอนก็นมีสักคนคนกักรกมีไม่คนไหนจังหวัดที่เข้ามาอยู่บ้านนากำแพงสมัยก่อนแถวแถบนี้ผููหัวผููสินปูทอบแถบนี้เป็นป่าเป็นงดงทึบไม่ตัดป่าน า, นานาจะนิดมาก ไม่ใคไมนหมู่บ้านคนแต่ก่อนที่อยู่แถบนี้เป็นคนมาจากประเทศลาวโดยมากเป็นพวกเม่หรือเป็นพวกยอเขาแต่ก่อนทุกตู้นิดำเนาเดิมเขาอยู่ประเทตลาวเขาข้ามมาอยู่เมืองไทยสมัยเมื่อเปลืองเสร็จขมาตอนหลาย เมื่อฝรั่งเศสเข้ามาปกครองเราเขาไม่ชอบลัทธิการปกครองของฝรั่งเศสเขาจึงอพยพครอบครบัวข้าบแดนข้าแม่น้นคง ม, มาอยู่ฝายประเทศไทยและลัทธิประเพณีเดิมของเขานั้นเป็นอย่างนี้สำหรับพวกเมืยแต่ก่อนก็เรียกว่ารากอดราคุน คำว่าเรากอดเราคุมนี่เขาถือกันจริงๆเออหมายคก็ว่าถ้าเราไปเยี่ยมเขาไปเยี่ยมบ้านเยี่ยนเดือนเขาถ้าเขามีลูกสาวแล้วไม่กอดไม่คุมไม่จูกไม่ดมลูกสาวเขาไม่ได้เขาว่าผิดสีแต่จะทําอะไรไมาได้ได้แต่เพียงเกาะคุมดมจูก เท่านั้นถ้าไม่ทำอย่างนั้นเขาปรับไหมใส่โทษเพราะวันจิตผีเขานี่พวกเคนีลาวกดลาวกลุมอะของเขาที่นี่เมื่อเขาขับมาประเทศไทยไม้ยมก่อนก่อนก็ยังมีอยู่แต่เดียวนี้ดูมันหายไปแล้วและพระเน้นของเขานั้นรู้ไม่ได้หรอกเขาถืออะไร ก็ไม่ตัดเห็นแตเพียงนุ่งผ้าเหลืองแล้วก็แล้วกันไปก็ถือว่าเป็นพระเป็นแม่เป่าวัดเป่ า, า่าเขาจะกินข้าวข้าก่าแดงก็ไม่ว่าแต่โดยมากที่สังเกตดูชอบกินยาผิดพวกพระแม่แล้วก็ฆ่ากันแข็งขวงแข่งกองกันเวลาสงการกรรถน้ำกัน กับถึงการกอดกันกลุงกัดเขาไม่ถืออะไรและพ้าเป็นวันพระเขาก็พากันไปหาพระเนือ้อตามป่าหรือปหาป่าจินป่าตามห่วยตามหนองตามบึงในกันหลักพวกพระเนนในสมัยนั้นเขาไม่ถือกันเลยจักเงินายทองขุดดินปันไม้ เขาไม่กำนังถึงพระในอย่างไรเลยและญาติโยมก็ไม่ถือและแถวนั้นแต่ก่อนเขาถือถือต่างหากถ้าดูดูปีใหม่เขาต้องเรียงถืงกันแล้วก็ยาวถือกันเป็นพิธีใหญ่โตมหัวฐาลทีเดียวซึ่องคาบเจ้าก็เคยได้เห็นเขาอยู่เขาทำอยู่ มี่ลัทธิเดิมของเขาแต่เดี๋ยวนี้ดูมันหายไปหมดแล้วไม่มีเพราะกาเรเดินมันล่นไหลไปและทางค ม, มานาคมก็สะดวกไปแต่ก่อนไม่มีหนทางรถจาเดินไปหา ก, กันต้องเดินทางนั้น ไปอำเภอต้องนอนคืนนอนค้างทางถึง่อจะถึงอำเการศึกษาเราเรียนแทบกนั้นไม่มีโรงเรียนเลยอยู่กันอย่างป่าปัดคนไม่รู้นังสืออะไรเลยตอนเจ้าหน้าที่ก็ไม่ใครเข้าไปถึงเพราะกันดันมากแต่สมัยนี้ทางคำว่านาคมเสนอการศึกษาเราเรียนทั่วถึงกันแล้ว และแต่ก่อนสมัยนั้นการเก็บไข้ได้ป่วยเือไข้ปา่ามากนักทุมนักคนตายกันเป็นหนึ่งไข้ปา่ามากเดียวแต่สมัยนี้ดูรถปริมาณลงไปเกือบจะไม่มีก็แล้วเพราะทางคมนาคมและการแสะช ด, ดูดดีมากการอยู่ การกินก็ลำบากยากแสนมากสมัยนะั้นและการเดินไปมาหาสู่กันก็ลำบากนีบ้านเย่างประมาณนั้นแต่สมัยนี้สมัยทัวร์กรุงเิบก็ไปถึงไาได้านอีรถทัวรรถเล็กรถใหญ่ก็ได้ไม่กัดข้องเลยทีเดียวนะสมัย ที่ขาธุเจับอยู่ตรงมดทองเวลาออกปัรษาต้องเดินหายเหน็ดตังนั้นเดินขึ้นไปปูอูรอบเดินจากดงงมอดทองถึงปูอูตามคืนแล้วก็ไปเหน็ดที่งดงสีชมพูเดินบางครั้งเดินจากดงมอดทอง ไปจังหวัดเลยก้าวถึงเดินจากจังหวัดเลยไปพชรชุโรกไปเชียงใหม่ไปเดินไปเชียงคุงอย่างนี้แหละชีวิตของพระสดงธรรมชาตเป็นชีวิตที่ยากแตดํำเกินด้วยเถิต้องลุก ป, ป่าคาดงดอน นอนตามป่าตามท่า็นั่นแม้าหารการขบสันจะหอดจะหิวจะอดจะอยากก็ใายสันติความอดทนออกแม้การเดินทางจะลำบากจกแค้นก็ใายความอดทนเอาศีรณะเรื่องของทุกขว่าเราเกิดมามันต้องทุกข์ ถ้าเรายังเกิดอยู่อย่างนี้เราก็ต้องทุกข์อยู่อย่างนี้ทุกข์เพราะความลําบากจากแสนและทุกข์เพราะการดินและการเดินไม่สบายทุกข์เพราะความเกิดแก่จะตายนี่มันหม่รู้ได้ทุกข์เพราะทำความชั่ ว, ค ว, วาาความเสียหายทําบาปทํากรรมตัวตนให้ไปตกนรกไปเผาเราร้อนในมันแฝนที่จะทุกข์ต่อมา เราเดินไปเที่ยวบำเพ็ญคุณงามความดีอาศัยกันติวความอดทนเนี่ยคือว่าเราเดินเราทุกข์แกกายแต่จใจของเราไม่ทุกข์เพราะเราไม่ได้ทาความชั่วเราประกอบแต่คุณความดีนี้ก็สบายใจหน่อยถ้าเราไม่้นทุกข์คุณความดีที่เราได้ตั้งใจบําเพ็ญไว้ด้วยความบริสุทธิ์ กายบริสุทธิ์วาจาและบริสุทธิ์ใจนี้ก็จะเป็นคติที่ดีเราจะได้ไปสู่สุขเมื่อเวลาตายเอเมนุตสตกสวรรค์สาธิทานสุขถ้า ย, ยังไม่ถึงปณิธานสมบัติผลความดีที่เราประกอบไว้ด้วยความตั้งใจก็จะเป็นอุปนิสัยติดต่อยห่่ยตามเรา ในรักความฝึกการเรียนในกติจากำเนิดในปุก๊บปับจนกว่าจะถึงพันธสัญญาดังนี้เมื่อคิดแล้วคิดขึ้นในค้างการบำเป็นคุณกันดุใจสดชื่นบานไม่มีความทุกขในใจส่วน้ายนั่นทุกขกระทำลำบ า, บ า, าวกวาสิ้นเยี่ยวขากดขากรดเยิน หิวร้อนและหนาวร้าวพัดแต่ที่จะทุกป์ะมาณทางกายส่วนทางใจขอพิจารณาเรื่องของทุกข์ดูนะ น, นิวนาประวัติของร พ, พ, พระพุทธเจ้าและพระสุิพระพุทธเจ้าท่านยิ่งเป็นผู้ที่นักเกสียสลรอย่างยอดเยี่ยมไม่มีใส่ถึง และท่านก็เป็นกษัตริย์โดยพระชาติหรือด้วยทั้งเป็นกษัตริย์ที่สุกบุการาชทั้งละเอียดถึงสุดไม่มีกษัตริย์ใดในสมัยนั้นที่ทัดเทียมเสมอหรือยิ่งกว่าท่านยังสามารถสรืบทอดนลังและสมบัติออกบรรพชาเทศแล้วสแสวงหาโมกขธม แสดงไปในที่ศีราะการพบศันหรือปัจใจสีล้วแต่จะมีจะเป็นการสเดสดจด้วยเท้าทางนั้นด้วยพระบาทพระองค์ทางนั้นเช่นเขานั่นลงเขานี่บางครั้งตามประวัติถึงกับท่านได้ทรมานอดอาหารอดกลับอดนอน จนตลบตายไปถึงสามครั้งยาง น, นี่ก็มีท่านก็ยั ง, งย น, นั่งนั่ส่วนตัวเราเนี่ยไม่ถึงท่านที่ไหนจะทอดใส่เราท่านเป็นนักเสือสระจริงๆไม่เห็นแก่ความตายไม่เห็นแก่ชีวิตท่านจึง พ้ะจะทุกได้เมื่อพิจารณาประวัติของพระพุทธเจ้าผู้เป็นาตาคดและลึกถึงสรวัตของผ่านก็ทำใจให้ทุก์หนุนข้าหานและทุ้มชื้นหายจากความพ้อแท้ของใจในธาตุทุกหรือความพ้อแท้กามาครอบทำ ต้องพิจารณาประวัติของพระพุทธเจ้าให้เป็นที่ประทับใจเสมอเสมอและพิจารณาคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้เป็นนักเสียสละในคำสอนบทต่างท่านสอนว่าบุคคลผู้จะรักษาวาย้ยซึ่ง อ, อยายนันทานก็เซึ่งสเสียสะซึ่งทรัพย์มัน เพราะทับใหม่ปเพียงเหมือนอวัยวะข้อนี้ขออธิบายคําว่าอวัยวะคื อ, ร, อ, ร, อร่างกายของเราเองถ้าร่างกายเรามีโรคกําเริบเกิดปานขึ้นส่วนใดส่วนหนึ่งถ้าเราไม่สละทรัพย์มาพยาบาลร่างกายนั้นอาจจะทําให้โรคกําเริบเกิดาน เสียวัยวะตลางกายไปจำเป็นต้องแตะจับเพื่อมาพยาบาลอวัยวะส่วนนั้นให้ดีขึ้นเพราะซับไม่ระเกิดอวัยวะถ้าอวัยวะส่วนนั้นเสียก็ขาดความสุขความเจริญเท่านั้นเองอีกตอนที่สองว่า ถ้าคู่จะรักษาไว้ซึ่งชีวิตทันประสบซึ่งสารเสียซึ่งของสองอย่างคืออวัยวะและทรัพย์นั้นเสียเพาะอาวัยวะและทรัพย์ไม่เป็ดมเหมือนชีวิตดังนี้ข้อนี้อธิบายว่าชีวิตเป็นของเดิมกวราอาวัยวะและทรัพย์ ถ้าหากไม่โรคใครใครเ้เจ็บเกิดขึ้นในร่างกายของเราจะถึงเสีชีวิตจำเป็นเราต้องยอมตัดอวัยวะส่วนที่เป็นโรคนั้นไม่ให้ติดต่อส่วนอื่นถ้าไม่ตัดออกก็จะเป็นเหตุให้ติดต่ออวัยวะส่วนอื่นกำเริบขึ้นจะทำให้เสียชีวิต ฉะนั้นอะไรวะส่วนที่เป็นโลกนั่นแหละไม่เป็นของประเสริฐต้องละเสียไม่ประเสริฐเหมือนชีวิตเจงว่าผู้จะรับสาไว้ซึ่งชีวิตเพิ่งละเสียซึ่งของตง้งหยาเตออาไว้จังหวะและทรัพน์นั้นเสียดที่สามว่าผู้ร้อนนก ถึงอยู่นเนืองๆซึ่งคำสอนของพระธรรมาสัมพุทธเจ้าอันเป็นของประเสริฐซึ่งชน ะ, ะเสียซึ่งของสามอย่างคือชีวิตหนึ่งอวัยวะหนึ่งและสัพท์เพราะของสองสามอย่างนั้นไม่ประเสริฐเป็นของไม่รังกันอยูอย่นี้แล้วก็เสืมซึ่งจุดหายไปหนักส่วนคำสอนของพระพุทธเจ้า สอนให้พ้นทุกข์พ้นทัศเป็นของที่มีสระม่แก่นฝังไม่เสื่อมไม่ทรงไม่สุดนหายเออือหมายก็ว่าสู้ถึงทำอันแท้จริงแล้วกณน์ผู้ไม่เสื่อมไม่สุ้หายไม่มั่วหมอน น, นังนี้เมื่อมาที่เจณฑ์าคำสอนของพระเจ้าหนึ่งเลยใจก็เข้ามา ได้รับความเปติตุ่มชื่นเกิดัตาความเฉตาเกิดขันติควา ม, าวามอดทนคนเพียนใจก็สบายหายจากความเหน็ดเหนื่อหายจากความเดือดร้อนและความทุกข์น้านาประการที่ขณะเดินทุกดงกัรมฐ า, านไปในทุกี่ไม่ใช่ว่าจะเดินเท่ๆและกรรมย้อนถืเอเจนา พระสองสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ละท่า น, นท่านละององท่านปัจจุบัิเพื่อความพ้นทุกข์จริงๆท่านไม่เห็นแก่ความยากความลำบักไม่เห็นแก่ชีวิตไม่หวนชีวิตท่านเห็นชีวิตเป็นขอ ง, ขอ ง, ของกว่าธรรมเห็นธรรมเป็นของไม่ีคุณค่าไม่ีประโยชน์หาสารยิ่งกว่าชีวิตท่านจึงเป็นนักเสือสละ ภาะึกปฏิบัติไม่เห็นแก่ความเกลียดความฆ่าท่านไม่คอดถอยงยาประวัติสาวกองนั้นองนี้งูแต่เด็ดเดี่ยวนักเสือสระต่างนั้นแน่แล่พระสงฆ์ผู้ท่านที่จะผลไปจากทุกจากความเดือดร้อนนั้นท่านโกเป็นผู้ปฏิบัติดือด แทนผู้ปฏิบัติตรงต่อคําสอนของพระพุทธเจ้าแทนผู้ปฏิบัติเพื่อความรู้ยิ่งเหฉมเพื่อออกไปจากทุกเพื่อความรู้ยิ่งเฉมเห็นอะไรเแทนทุกเฉมพเพื่อเห็นธรรมปฏิบัิเพื่อเห็นพอ่อปฏิบัติให้ถึงธรรมปฏิบัติถ้านเป็นผู้ปฏิบัติชอบชอบตามทำคําสอน จิบัติกายให้ตอบปาจจามาตอบใจมาตับเมื่อท่านเป็นผู้ฏิบัติอยู่ในลักษณะนี้ไม่พ่อคอยก็หยุไม่ลดละไม่เห็นแก่ชีวิตและความสมบัติผลที่สุดท่านก็ผลไปจากศดกษานาเมื่อเรามาพิจารณาอยู่อย่างนี้ ก็ทำใจสะอาดมีสภาวะเบิกบานโดยความเพียเพื่นไมมนันสิความอกคนที่เดียวนี่แะชีวิตของพระากรรมฐายากแค่รำเจณฑสักปันใดบางครั้งบางสมัยเมื่อเดินป่าเดินดงรง นานกลางป่ากลางดงนอนกลางป่ากลางดงเป็นมูสต์ป่ามีเป็นบางครั้งบางขาบางองค์ถึงกับตายกลางป่าตรงนี้เคยเห็นกระดูกของพระกรรมฐานและพให้ฐานกรสมสรมฐานจะตายจะตังู่บนหลังเขามีสมัยเรานี่แหละสมัยหลังๆนี่แหละ ท่านจะตายด้วยเหตุอะไรไม่ทราบเพราะว่าข้าพเจ้าได้สดับมาดังนี้คือหลวงปู่กองเวลานี้หลวงปู่กองผอมอรนักมากแล้วท่านได้ไปอยู่ร่วมข้าพเจ้าอีู่ดงหัวทองท่านได้เดินทต ด, ดงไปปูเขาหลุกดูระหว่างจังหวัดเหนือ ทานว่าเดินตุดงก็ไปหลงทางไปเริ่มหดเวลาไปนอนอยู่กลางปูกเตืนเช้าก็เดินไปเจอไปเห็นกองกระดุกเมื่อมองไปมาเห็นบาดเห็นสดนี่ยแต่ว่าผลและท่านั้นขาดหมดแล้วยังเหลือจะปะเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านก็ไล้อาติฐาน ว่าขอให้รู้จักผลทางถ้ารู้จักผลทางจะมาทายาทจมตาบนอาทิตย์ให้ท่านก็ได้เดินไปพอดีเปต่างปุนเดินเข้าบ้านท่านก็เลยเดินไปตามทางไปจนมือบ้า น, านกั น, น, ก น, น, นถึงมือบ้านประกาศให้ญาติจมบ้านท่านก็ทาญาติจมมา ไปทำบุญที่กองกระดูนั้นเก็บเงนินกระดูดตามเดือน3ามวันนันี่แหละพระกรรมฐานต้องเอาชีวิตเสียงต่อความตางและท่านวงนั้นจะตายด้วยเห็บใดไม่ทราบไม่มีใคสทราจะตายด้วยปดอาหารหรือทรมานอย่างใดมมนนีใครส่าดังนั้นนี่ของกูกกองเล่าให้ข้าพเจ้าฟั พระไหมที่ข้าพระเจ้าอยู่ดองหมออทอง ท, าอท่านปอะยูทร่วมด้วยในือนนี้หวงพ่อฟองก็มรณะภาพแล้วจะเป็นจริงหรืออย่างไรท่านเลาให้ฟังอย่งั้นสวนข้าพระเจ้ามาเห็นนี่แหละชีวิตของพระพุทธองธรรมาฐานมันแสนยากําเก็นอย่างนี้แหละ แม่เอข้าพระเจ้ามาอยู่หุ่นทอในตอดจิ่งเดียวกันยากมากลา บ, บากมากการสร้างหุ่นทอตำทานต้องเสียงต่อความตายจริงๆทีเดียวถ้าไม่เป็นสุตก้าหารหรือรอบครอบแล้วมันก็ไม่พ้นอันตรายต้องเสียชีวิตกันหมดไม่เหลือแล้วดังนั้น ช้อยอนเก่าคุณตังที่มาอยู่ฟูทอกมาอยู่ภูทอกเริ่มแรกพอชอสองพันห้าร้ยสิบสองเป็นพันษาที่ยี่สิบเจ็ดเป็นต้นมาแล้วก็ได้ปับปรุงจึ่งที่ปัดป้องเป็นลำดับลำดับมาดังที่ได้พากัน ดูกันเห็นดูนั่นแหละต่อมาก็มีตาต่าตาผัวพระเทศไทยก็ว่าได้ผู้มาเห็นแล้วก็ปรึกษา <c oughs> กันไ ป, ไ, กยย ไ, ปไปเรื่อยๆแต่ก็จะย่อยกันไปสมภูทอกเรื่อยๆที่ไหนขัดข้องทางวัดก็จัดให้สะดวกตามสานะตามสา ม, มารถ เช่นน้าไม่สะดวกทางวัดเกาะกั้นพนกติดพนกไว้หลายแห่งน้ำใช้น้ําสันไม่สะดวกส้วมไายหรือส้วมน้ําห้องอาบน้ําไม่สะดวกก็พยายามปรปับปรุงเพื่อต้อนรับแก่ท่านผู้ไปเยือนและพอจะได้ปรปับปรุงพัฒนาไปอีกเรื่อยๆเมื่อตกถึงพอตอ 2,520 ก็ได้ปรับปรุงทางทาทางไปน้ำตกแสแนนกัวเป็นน้ำตกที่สวยมากและก็มีสระน้ำมีอ่างน้ำใหญ่ๆดึกๆมีสัตว์น้ำมีปลามีจระเข้และมีสัตว์ป่าเวลานี้ได้สมวัตเป็นที่ตัตตา คือสงวนป่าไม้และพันตัดและได้สงวนเป็นวณอนุททยานแห่งชาติสำหรับสงวนป่าไม้และตัดป่าไวา้ที่พูวายังมีตัดป่าอยู่มากเช่นชามและเสือความลิเจงหมูมีตัดเล็กพวกนกยุงกระต่ายกระแตรอกี ถ้าท่านไม่ีโอกาสก็เดินไปเที่ยวชมดูเพื่อเป็นที่ย้อนอารมณ์บนหลังพุงว่าราดรื่นสอดโรงเดินใจสบายกว้างขวางมากมีที่จาอากาศมีที่ย้อนใจตามปารานหินเดินท่านไปพักผ่อย้อนอารมณ์หนีความทุกข์ีวุ่นวายกันบ้าง บางครั้งบางเวลาก็ดีที่ผูว้วมีสำนักไว้ที่พักผ่อนสามแห่งคือหนึ่งทับูชาสองทำพระที่หลวงปู่พันออจารโรได้ไปปรับปรุงตั้งแต่พอ2 4อ3อพันสี่ร้อยเ้าิสามอันนั้นก็เป็นสถานที่ปอดโรงและร่มรื่น มีน้ำอุดมสมบูรณ์ดีมีที่วิเยกพักผ่อนย่อนทิตใจายแห่งในธรรมระมีพรานหินมีร่มไม้และมีตัดป่าตัดน้ำตัดบกที่ทาบูชาก็มีพารานหินกว้างๆมีน้ำตกและมีตัดป่ามีตน้นให้ปั้นสมทาบูชาเริ่ม ปรับปรุงแต่พออ2 5 0 6เป็นต้นมาไม่เคยขาดพระมีพระประจำอันตาอยู่ทุกทุกปีที่น้ำตกคะแนนในริเริ่มปรับปรุงมาตั้งแต่พออ2 5 1 8เป็นต้นมาพอตอ 2,520 ได้ตัด สนทางเข้าไปสูกตามตกสแนนตัดเข้าไปถึงสะพานหินธรรมชาติภาษาเราเรียกว่าราวหินเป็นราวแล้วก็เป็นสะพานข้ามน้ำสแนนน้ำไหลรอดขึ้นเป็นเหวลึกและที่เหนือสะพานหินก็มีสำนบหินกั้นน้ำไว้ เป็นอามเป็นตะลึกมีจรเข้ใตสะพานหินก็เป็นตะมีจรเช้มีถ้ำสวยงามมากน่าลึกใตสะพานหินสะพานหินธรรมชาตินี้รถเดินได้สะดวกสบายรถชนิดไหนก็ได้ <c oughs> มีธรรมชาติไอ้ท่านสมเดยวจะสม ธรรมชาติสะพานเห็นป่าร่มดื่นดีชมน้ำชมป่าชมน้ำ ต, ตำก็ไดาย่างจากผู้ทอบจุดสองกิโลรถเดินได้สบายไม่ขัดต่องเพลนภู้ทอบนี้เห็นที่ยอนใจดีมากเที่ยวรอบสะพาน สะพานฟูทอกมีสามชั้นคือชั้นที่สี่ชั้นที่ห้าชั้นที่หกชั้นที่เจ็ดเป็นยอดบนมีป่าทึกและตกมาอีพสสองพันห้าร้อยยี่สิเอ็ดจะได้ทำปิดถนนเป็นถนนเป็นเศวต ด, ด้วยไปสู่ฟูทอกใหญ่ซึ่งแต่ก่อนเขาเรียกว่า ผูแจมจรัดหางจากผูรอบน้อยประมาณไม่ถึงกิโลราวยี่สิบเนเท่านั้นถ้าทําถนนหรือานบเสร็จแล้วเราก็ไปดูู่แจมจรัสได้พระไปดูทัพทิเวกได้เป็นสบายสบายคือสงบสงัดมีมากมีถ้าเยอะแยะ รอบภูและหลังบนหลังเขาก็มีทเดีย๋ยอะและก็มีบอ่อน้ำหินที่อยู่บนหลังเขาอีกการทำถนนนี้มีประโยชน์หนึ่งเป็นการทำถนนเขา้าหูแจมจรัดให้รถเดินได้วางหินลูกลำสองทำเป็นรัวเจดวัดสาม ทำเป็นทนกปกันน้ำใบไผ่บริบูรณ์ได้เหมาให้ล็บเพกเตอร์เขาทำเขาเอาค่ารับเหมาหนึ่งแสนห้ามืนบาทบรรดาประชาชนทั้งหนเมื่อได้ยินข่าวก็พากันมีศรัทธาขยอยกันมามืสร้าง สำนับน้ำและถนนและวัววัดขึ้นตูผู้แกนรัสเออผู้ทอบใหญ่ั่นเองจะสร้างสำนักสงเป็นวิปัสสนาผู้ต้องการความสงบสงัดเด็ดเดียวจริงจังต้องไปอยู่ที่นั้นภาว น, นาทำาลมภาคกลมเขียนที่นั้นมาดีนัก มีร่มไม้พื้นพื้นดีอากาศสบายอ่าต่อไปถ้ามันสะดวกมันสบายก็จะทำสะพานรอบปูทอกใหญ่อีกแต่คิดว่าจะทำชั้นเดียวชั้นที่มี้ํำรอบๆเท่านั้นนี่เป็นแต่ โครงการไว้ในอนาคตไกลถ้าตายแล้วก็แล้วไปผู้ที่เขายังอยู่ในโลกเขาก็คงจะดำริแปะต่อสานต่อไปมาอยู่รูท่อนี้สบายนักอากาศปลอดุูดีทังดูแดงฤดูฝนดูร้อนมีที่รับหนาว หลบช้อนหลบฝนใดทุกเวลาวิธีพักคนย้อนอารมณ์หลอกๆผู้เขาทีอโยมทานผู้ไม่เห็นก็เติมก็ดูที่ไปพักคอนย่อนจิตใจให้เบิกบานสักหน่อยก็ดีเหมือนกันหนีจากความทุกข์ทีตีมงจากบ้านจากเมืองบางที คนเราเกิดมาถ้าไม่ทำประโยชน์มันก็ไม่ใช่มนุษย์เราเรียกว่ามานุษย์พระพุทธเจ้าท่านให้ทำประโยชน์ทั้งสามประการคือประโยชน์ปัจจุบันและประโยชน์ภายภาคต่าประโยชน์อย่างเยิงเอพระนุษานให้ไปพร้อมกับชีวิต ท, ที่จังเต็นเป็น สดุดอยู่รู้คัดคประโยชน์ให้ทำประโยชน์แก่โลกหรือแก่ส่วนรวมสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ก็ให้พากันกอบทูงพัฒนาขึ้นในวัตถุนั้นสิ่งนั้นทั้งด้านวัตถุและด้านจิตใจด้านวัตถุก็ให้เป็นประโยชน์แก่โลกด้านจิตใจก็ให้ เป็นประโยชน์แก่โลกอย่าเป็นคนทำลายโลกความโลกญยาจัะประโยชน์ประโยชน์อย่าติดน้องเออสงเพราะหึตึงกันละกันอันมนุษย์เราเกิดมารวมชาติรวมศาสนา ร, ร, ว, มา ร, รวมพระมหาสาัตว์อันเดียวกันต้องเป็นญาติสิดมิตสหายกันทั้งเิ้น ต้มีการสงเคราะห์บำรุงซึ่ ง, งกันแลกันด้วยกายสงเคราะห์ปัจจาสงเคราะห์ใจสงเคราะห์มีการแบ่งสรรปันส่วนซึ่ ง, งกันและกันมีความเห็นพร้อมเที่ยงกันอมืมีทิิเสมอกันมีความสมดุีปองดองกันไม่แตกแยกกันรักษา ศาสนาประท้งบำรุงสศาสตาสนาระมหาศัสตร์ของตน <S 2> <S 2> อย่าไปคิดข้นและต้มทำลายศาสศาสนาระมหาศัสตร์มันเป็นสิ่งที่อัตรีเห็นของไม่ดีคําความทุกความเสียหายเห็นบาปเห็นกรรมเห็นโทษแก่ตนอัตถะประโยชน์ ให้ทำประโยชน์แต่ตนเพีงใดเป็นประโยชน์แต่ตนก็ทำขึ้นสิบาปมันเป็นโทษมันมีโทษมันไม่มีประโยชน์ทำแล้วมันเป็นโทษเป็นทุกข์เป็นไถยเป็นอันตรายคุณความดีบุญกุศลมันเป็นคุณเป็นประโยชน์ตึงพากันมันบำเพสนกระทำขึ้นเพียงใดที่ผิ กฎหมาย้านเมืองและถิ่นรรมทตามพระพุทธศาสนาองทากันเลิกละดีเวนยาภากันนํางไปติดตเลิกติดเกินมันเป็นโทษมันทําลายประโยชน์ของชาติของศาสนาของพระมหาสัตว์กระพื้นตนให้เป็นประโยชน์แก่ชาติศาสนาพระมหาสัตว์เอ ทำตนให้เป็นคนพนเมืองดีทำมาหากินโดยสุสสจริตไม่ติดกฎหายบ้านเมืองเล็นคผู้ประกอบแต่การงานที่ปฏิจาโทษเลีก้การงานที่มีโทษมันประกอบการงานที่เป็นประโยชน์มันรักษาทรัพย์สมบัติของตนที่ตนแสวงหามาได้ ด้วยความมันในฐานที่ชอบอยา่าพากันเป็นคนทรุดทรุนไรใช้ ใ, ใจทรับไม่เป็นประโยชน์ถึงพากันเว้นเเ้มสารดื่มน้ำเมาเร่าสรายาสิายยาสนเมโรยินอันเป็นที่ตั้งแห่งสามพมาถึงเมืองเป็นเหตุทิดหมายแห่งโวกสมบัติเหล่านี้เมื่พากันดีละเลิกเล้นอยา่าพากันถามซึ้น การเที่ยวกลางคืนในตลาดมืดให้พิษเดรัจงเงินหรือเที่ยวล่าสัตว์ในป่าในล้งในการงคืนอันนี้ก็เป็นเหตุทิศหายแห่งโชคสมบัติถึงพากันเลิกละดีแย่าพากันแล้วเสริมเงินงอหรือมิจยมเที่ยวดูการเล่นต่างต่างเหล่านี้ก็เป็นเหตุทิศหายแห่งโชคสมบัติ ถึงภากัรละเลอกดิเนวนตอบการเด่นปนั่ทุกประเทศเอ็นอันเป็นที่ตั้งแห่งความสมบัตทตึงเนืองเรานี้ก็เป็นเหตุทุกหายแห่งโภกสมบัติถึงพากันดีเวนยาพากันนิยมสมชอบพบคนชั่วเป็นมิตรเรานี้แต่ละล้วนแล้ว เป็นเหตุทำ ม, มาแห่งส่วนทิศหายของโภคสมบัติทั้งส้นเป็นคนเกียรข้านถือประกอบความเกียรติานไม่เนื่งเนื่อนเหล่านี้ก็เป็นเหตุทิศหายแห่งโภคสมบัติด้วยการ น, นั้นเป็นพากนเดีแว้นให้เลี้ยงชีวิตในทางที่ถูกอย่าพากันประกอบบุญเลี้ยงชีวิตในทางที่ผิด มันไม่ดีเป็นบาปเป็นโทษถึงพบพิตที่ดีพบเพื่อนที่ดีอย่าพบคนชั่วคนมิตรพบแต่คนที่ซื่อสัตว์สุจริตไม่เหยีตาอารีาและมักีความดองซึ่งกันกันี่คือประโยชน์ปัจจุบันในชีวิตที่เป็นอยู่ถึงพาการฝึกปฏิบัติจะทำขึ้นถ้าเรา เป็นผู้พระยาได้ความสุขความเจริญยาได้รับประโยชน์ได้รับคุณอ้อมประทุกบัตทขึ้นเอาสีประโยชน์ายภาพหน้าเรนับแสตายตายแสกแล้วก็มีกติกเพราะยังมีกรรมทานจึงให้บำเป็นประโยชน์ไว้สำหรับเป็นที่พึ่งของเราเมื่อตายไป แต่เราไม่บำเพ็ญประโยชน์ไว้มันก็เป็นขนตายทุกข์ตายยากตายลำบากตายหอดตายหิวตายก่อตายคุมตายคุมตายขังตายอดตายยากตายไปก็เป็นทุกข์เป็นยากขอตนไม่ได้บำเพ็ญประโยชน์ไปในสายพักหน้าประโยชน์สายพักหน้าคือให้มีทัาความเชื่อความเื่อมใจในสุขประทานประสอง ในทานติมภาวนาในบุญเพื่อในบุญในบาปสิระดัศเ ส, สิงเว้นสิ่งที่เป็นบาปปัดแต่สิ่งที่งเป็นบุญเป็นกุศลพึงฆ่ากันเป็นนักเสื่อสระบำเพ็นทานทานกุศลสงเคราะห์ซึ่งกันและกันสาธารณกุศลทั่วทั่วไปก็ดีพึงฆ่ากันมันสดับ รับฟังคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธจเจ้าเพื่อมีปัญญาพรอบรู้ในบาปบุญคุณโทษประโยชน์และมิใช่ประโยชน์เห็นชนะสังขารร่างกายของตนให้เห็นเป็นของเทียมเป็นทุกข์ให้เห็นเป็นของใช่ตอนเหลือและ้ประเดี๋ยวเดียวมันก็ล่วงโดนตายไปดับไปหายไปไม่มีอะไรที่จะเหลืออยู่ ที่ติดตัวขเราก็มีแต่บาปกับบุญเท่านั้นะนั้นท่านจึงให้เลิกบาปบำเป็นบนุญเราทำบาปเกิดมาตายไปเราไปสูส่สุกตินะค ร, รับเปรตสุกกายติดแต่ารถ้าเราทำบุญให้การรักษาสริเจริญภาวนาอยู่ตายไปเราก็ไปสู่สุขติมนุษย์สุขสวันสุขนิทานสุขมีประโยชน์ท้ยาย พ, าพา้าม ยอดจังยิง่งือฟพันนิพานนิพานระดับอิเดดความโลภ ค, ความโกรธกำลังจะใหู้นที่ใจของเราถ้าเราลับดับอิเดสราคะโสตระมาเรานีหมดแล้วก็ถึงไันิพานเท่านั้นไม่มีความสงสัยเลยดังนั้นพวกเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาแล้ว ยาปล่อยชีวิตของตนให้ร่วงเดยจากประโยชน์เปล่าๆเดชะต้องทำประโยชน์เต็นๆมนุษย์จะทำถ้าไม่ทำประโยชน์เรานี้เขาไม่เรียกว่ามนุษย์เขาเรียกว่ามารมนัสไดดร้สานไม่มีสาระไม่มีที่พึ่งตายไปกมดทุกข์ยากาวามตายทุกข์ตายายาก ตายลำบากพราหม่ทำคุณงามความดีไร้สายอดสายยากต้นไหม่บําเส็นทานไว้สายกอดตายคุมยค้มสายผมตายขังสายมืมีเส็นสายมีโทษมีกันเข้าใจทางนี้นะนี่เป็นม่วนผิวหกขอุติแต่ เ, เจ้ามนี้ขอ